Mm-hmm. ิจรหวังว่าท่านผู้ฟังยังคงจำได้ว่าธาตุดังเดิมของจิตคือรู้และมีความรับจำคิดอยู่ในตัวเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและจิตจิตก็รับรู้เกิดความชอบสิ่งนั้นบ้างชังสิ่งนั้นบ้างแล้วก็จำไว้แล้วเอามาคิดอ่านสิ่งเหล่านี้ในวงเล็บ หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ประเภทใดมีโอกาสเข้าถึงจิตบ่อยๆหรือจิตคิดถึงสิ่งใดบ่อยๆจิตก็เกิดความเคยชินกับสิ่งนั้นแม้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเข้าถึงจิตบ่อยๆจิตก็เกิดความเคยชินเห็นเป็นของธรรมดาไปได้เหมือนกันครั้นนานเข้าก็เกิดความชอบใจในสิ่งนั้นดูดดื่มในสิ่งนั้น การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าถึงจิตบ่อยๆเรียกว่าจิตได้รับการอบรมโดยสิ่งนั้นการที่จิตนวงเหนียวเอาสิ่งใดเข้ามาคุ้นคิดบ่อยๆเรียกว่าจิตเสพคุ้นกับสิ่งนั้นในวงเล็บอาเสวนะการอบรมและการเสพคุนย่อมสามารถแปลสภาพจิตได้คือทำให้จิตเกิดความเคยชินในสิ่งนั้นๆแล้วเกิดความชอบใจขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่า อาเสวนปัจจัยแม้แรกๆจะไม่ชอบถ้าบ่อยๆเข้าก็ชอบเองหนุ่มสาวที่แรกๆไม่รู้สึกรักกันเลยถ้าลองได้พบปะกันบ่อยๆหรือพูดกล่าวขวัญถึงกันบ่อยๆหรือได้ยินเอ่ยชื่อถึงบ่อยๆหรือไม่ก็ลองคิดถึงกันบ่อยๆดูนานเข้าก็จะเกิดรักกันจริงๆเด็กที่ผู้ปกครองพาไปดูลิเกบ่อยๆนานเข้า ก็จะชอบดูลิเกหรืออาจกลายเป็นนักแสดงลิเกจริงๆก็ได้ดูแต่ทุกวันนี้สิเด็กร้องลิเกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะกรมประชาสัมพันธ์เปิดการแสดงลิเกทางวิทยุทุกวันการทําเช่นนั้นแม้จะทําเพื่อความสนุกบันเทิงแต่ก็เป็นการอบรมแปรสภาพจิตใจของผู้ฟังวิทยุไปด้วยคนขวัญอ่อนเห็นคนฆ่าหมูดูไม่ได้จะเป็นลม แต่ถ้าแข็งใจดูจริงๆสัก4ี่ถึงหาครั้งติดติดกันต่อไปก็จะดูได้อย่างสบายไม่ต้องแข็งใจอีกแล้วอาจเห็นเป็นของสนุกไปเลยก็ได้และนานๆเข้าเขาก็จะฆ่าได้ด้วยมือของตนเองโดยไม่รู้สึกลำบากใจเลยสัปเหร่อคนหนึ่งเคยคุยให้ข้าพเจ้าฟังว่าตอนเริ่มจับงานสัปเหร่อใหม่ๆเขาได้รับความลำบากใจมากกินข้าวไม่ได้ มีแต่จะอาเจียนพอได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพได้ห้าหรือหศพแล้วเท่านั้นอาการที่ว่านั้นหายหมดทุกวันนี้เขาไม่รู้สึกรังเกียจศพเลยแม้กลิ่นเหม็นก็แทบจะไม่รู้สึกโดยเฉพาะลูกๆของเขาซึ่งเกิดและเติบโตขึ้นที่กระท่อมข้างๆโกดังเก็บศพนั้นไม่มีการรังเกียจศพเลยและไม่รู้จักกลัวคนตายด้วยคนโกรธกัน ถ้ายังพูดกันอยู่หรือพบเห็นกันบ่อยๆหรือคิดถึงความดีของกันบ่อยๆไม่ช้าก็จะกลับดีกันอีกเพราะคำพูดภาพที่เห็นและอารมณ์ที่นึกจะเข้าไปแปลสภาพจิตใจให้คลายความโกรธลงอย่างเด็กๆพอโกรธกันเขาจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวทันทีว่าฉันโกรธเธอแล้วละ่ะแล้วฝ่ายที่ถูกโกรธก็จะพูดโต้อตอบไปสักประเดี๋ยว ก็กลับคืนดีกันอีกแต่ผู้ใหญ่เรานี่สิลาบากเล่นโกรธแล้วไม่พูดกันเสียหีิเมื่อไหร่จะดีกันได้เรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการอบรมและการเสพคุ้นสามารถแปรสภาพของจิตได้การอบรมและการเสพคุ้นนั้นถ้าจะพูดให้ฟังง่ายอย่างภาษาสมัยใหม่ก็คืออานาจของสิ่งแวดล้อมทำให้จิตแปรสภาพไปนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่นักปรานทั้งไทยและเทศยอมรับกันอยู่แล้วในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่มากทั้งด้านการรักษาวินยัยทั้งด้านการปฏิบัติธรรมทั้งด้านวินยัยเช่นเมื่อทรงห้ามไม่ให้ภิกษุเสพเมถุนแล้วก็ทรงกำจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆอันจะทาให้การรักษาวินัยข้อนี้เป็นไปไม่ยั่งยืนเสีย อาทิห้ามการบริโภคอาหารในเวลาวิการห้ามแต่งกายด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆห้ามนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่หรือที่นอนยัดด้วยนุ่นหรือสําลีเตียงก็ให้ใช้เตียงเดี่ยวหมอนก็ให้ใช้หมอนสั้นๆพอหนุนได้คนเดียวซึ่งโดยเหตุผลอย่างหนึ่งแล้วข้อห้ามเหล่านี้เป็นบริวารของการห้ามเสพเมทุนนั่นเอง ทางด้านการปฏิบัติธรรมจะเห็นได้เช่นทรงสันเสริญการเห็นสมณะว่าเป็นอุดมมงคลทรงสันเสริญการอยู่ในปฏิรูปประเทศทรงสอนให้เสพคบกับคนดีทรงแสดงกระถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูดกันที่กล่าวนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะแก่ข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกหรือถ้าจะพูดตามวิถีทางของจิต ก็ต้องว่าพระองค์ทรงจัดให้พุทธศาสนิกได้รับการอบรมและการเสบคุ้นตามควรแก่ภูมิชั้นของตนของตนจริต6เป็นอันว่าการอบรมหนึ่งการเสบคุ้หนึ่งสองอย่างนี้เมื่อมีมากเข้าแล้วย่อมทำจิตให้แปลสภาพไปจิตเดิมซึ่งมีแต่รู้ก็เป็นอันได้ถูกย้อมจนผิดรูปผิดร่างไป จิตที่ถูกย้อมแล้วมีอาการเป็นไปต่างๆถึง6ชนิดชนิดของจิตนี้เรียกว่าจริตมีชื่อตามอาการที่เป็นไปคือ 1. ถ้าเป็นจริตรักสวยรักงามเรียกว่าราคะจริต 2. ถ้าเป็นจิตร้อนเร็วฉุนเฉียวเรียกว่าโทสะจริต 3. ถ้าเป็นจิตโงอกเขางมงายเรียกว่าโมหะจริตส ถ้าเป็นจิตมีความกังวลเรียกว่าวิตกจริต 5. ถ้าเป็นจิตมีความเชื่อเป็นใหญ่เรียกว่าศรัทธาจริตหถ้าเป็นจิตเฉียวฉล า, าดเรียกว่าพุท ธ, ธจริตตามปกติคนคนเดียวอาจมีหลายจริตแต่ที่เด่นเป็นเจ้าเรืองจริงๆมีเพียงจริตเดียวแล้วแต่ใครได้รับการอบรมและการเสพคุณมาในทางไหนมาก ก็มีจริตหนักไปทางนั้นคนที่มีจริตอย่างไหนมากที่สุดก็เรียกว่าเป็นคนมีจริตอย่างนั้นเช่นปกติเป็นคนรักสวยรักงามมากแม้ความโกรธชุนเฉียวจะมีอยู่บ้างความโง่เข่าก็มีบ้างและข้ออื่นๆก็มีลดหลั่นกันอย่างนี้ก็เรียกว่าคนราคะจริตคือหมายความว่าเรียกตามจริตที่มีมากกว่าจริตอย่างอื่นไม่ได้หมายความว่า เขามีเฉพาะแต่จริตอย่างนั้นอย่างเดียวอาการของคนมีจริตเหล่านี้ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเช่นคนราคะจริตมักพิถีพิถันกับความสวยความงามไม่ยอมน้อยหน้าใครในเรื่องการแต่งตัวจะออกจากบ้านได้แต่ละทีต้องใช้เวลาแต่งตัวตั้งนานตั้งนานแม้คนยากคนจนถ้าเป็นคนมีจริตนี้ก็ยังมีแววว่าเป็นคนรักสวยรักงาม คนโทสัจจริตมีอาการตรงกันข้ามกับคนราคาจริตเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยผมไม่หวีเลยก็ไปไหนๆได้จะแต่งตัวกับเขาบ้างก็เพราะเกรงใจสังคมเท่านั้นใจร้อนอยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ในวันในพรุ่งคิดอะไรรวดเร็วความรู้สึกรุนแรงแต่ถ้าไปสะดุดอะไรเข้าก็เลิกเอาง่ายๆกลายเป็นงอน คนโมหะจริตเป็นคนสับเพ่าไม่รอบคอบไม่ค่อยมีแนวความคิดที่จะเสนอคนอื่นคอยแต่จะให้คนอื่นจูงร่ำไปเขาว่าหนังดีก็ว่าดีกับเขาเขาว่าละครดีก็ว่าดีกับเขาคนวิตกจริตเป็นคนเจ้าความคิดไม่ใช่คนช่างคิดแต่เป็นคนคิดมากเป็นเจ้าแห่งอารมณ์จะกล้าจะกลัวก็ดูไม่เข้าท่าเช่น บางคนเห็นคนอื่นพูดซุบซิบกันหน่อยก็เอาไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขานินทาตนคนศรัทธาจริตเท่าที่ขพเจ้าสังเกตดูรู้สึกว่าเป็นคนเอาความเชื่อออกหน้าลงได้เชื่อสิ่งใดแล้วก็เชื่ออย่างชนิดที่ว่าล่มหัวจมท้ายจริงๆและกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบูชาความเชื่อของตนคนที่เชื่อว่าตนจะได้บรรลุบางอย่างด้วยการเผาตัวทั้งเป็น ยอมสละชีวิตเผาตัวจริงๆอย่างที่มีเรื่องซึ่งท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ทราบมาแล้วนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของคนศรัทธาจริตคนที่ทาบุญจนสิ้นเนื้อประดาตัวก็คงอยู่ในจริตประเภทนี้ด้วยแม้คนที่ตื่นผู้วิเศษและของวิเศษต่างๆก็อยู่ในจริตนี้อีกเหมือนกันนี่เป็นความสังเกตของข้าพเจ้าเองซึ่งอาจไม่ตรงกับความเข้าใจของบางท่าน พระนักอธิบายธรรมะส่วนมากมักจะกําหนดลักษณะของคนศรัทธาจริตว่าเป็นคนเชื่อง่ายและบางท่านก็ยังแถมอีกด้วยว่าเชื่อง่ายงมงายซึ่งลักษณะเชื่อง่ายหรือเชื่อง่ายงมงาย น, นั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นลักษณะของคนโมหะจริตมากกว่าเรื่องนี้ขอฝากให้ท่านผู้ฟังสังเกตข้อเท็จจริงต่อไป คนพุทธจริญเป็นคนชอบวิจารณ์เหตุผลคนประเภทนี้ทำงานตามความรู้ไม่ชอบทำงานตามอารมณ์อาการที่เห็นได้ง่ายคือความรอบครอบและความฉลาดเพราะความเป็นคนรอบครอบนั้นบางทีเราจะเห็นว่าคนประเภทนี้เป็นคนว่ายากหรือชักจูงยากแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คนว่ายากเป็นแต่เขาต้องการเวลาสำหรับการพิจารณาเหตุผลในทุกสิ่ง ก่อนที่จะปรงใจเชื่อตามเท่านั้นการสั่งสอนและการมอบงานแก่คนพุทธิจริตต้องชี้แจงเหตุผลประกอบเสมอและให้เวลาคิดแก่เขาเป็นห้วงๆจึงจะได้ผลดีจริตทั้งหกนี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็นาธาตุของจิตแต่ไม่ใช่าธาตุดั้งเดิมเป็นาธาตุจรมาผสมเหมือนแตงกวาที่ดองในน้ำเกลือนานเข้าก็เป็นแตงเข็ม รถเข็มนั้นไม่ใช่รถดั้งเดิมของแตงกวาแต่เป็นรถจรมาผสมภายหลังอำนาจของจริตธรรมดาไฟพื้นเพดั้งเดิมของมันจริงๆก็คือเป็นแดนส้าออกแห่งแสงแต่เมื่อเราเอากระจกสีแดงมาครอบเข้าก็กลายเป็นไฟแดงเอากระจกสีเขียวมาครอบเข้าก็กลายเป็นไฟเขียว สีแดงสีเขียวนั้นไม่ใช่สีเดิมของไฟเป็นเพียงสีที่จอนมาบังแสงไฟภายหลังแต่ว่าแม้มันจะเป็นเพียงสีที่จอนมามันก็มีอิทธิพลเหนือแสงเดิมของไฟคือสามารถแปลเปลี่ยนแสงไฟที่ฉายออกมานั้นให้เป็นแสงสีแดงสีเขียวไปด้วยไฟที่ถูกเปลี่ยนสีแล้วย่อมมีความหมายไปต่างๆได้อีกหลายประการเช่น ไฟซุ้มจราจรตามจตุรัสต่างๆนี้เป็นเรื่องของวัตถุภายนอกความเป็นไประหว่างจิตกับจริตก็คล้ายกับเรื่องของไฟกับกระจกสีนั่นเองจิตเหมือนแสงเดิมของไฟจริตเหมือนกระจกสีต่างๆจริตนั้นแม้จะเป็นเพียงาธาตุจรมาภายหลังแต่ก็มีอิทธิพลมากสามารถบังคับจิตให้สั่งการไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ทั้งทางดีและทางชั่วคือเมื่อเกิดปัญหาที่จิตจะต้องตัดสินใจและสั่งการจิตก็จะต้องตัดสินใจและสั่งการคล้อยไปตามจริตของตนเสมอการทาการพูดการเขียนของคนเรานั้นล้วนแต่สาเร็จรูปขึ้นจากจริตของบุคคลผู้เป็นเจ้าของกิริยานั้นทั้งนั้นข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือของคนที่กลับจากต่างประเทศ เขียนเป็นทานองบันทึกการเดินทางหรือนำเที่ยวเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไปด้วยกันแต่ต่างคนต่างเขียนฉบับของท่านผู้หนึ่งบรรยายหนักไปทางพาชมร้านขายหนังสือการแสดงปากฐกถาและสถาบันต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้สนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นการบรรยายให้เห็นจริงเห็นจังอย่างเอาการเอางาน อีกฉบับหนึ่งท่านผู้แต่งหนักไปในทางชมสิ่งสวยงามในประเทศนั้นๆอย่างซ้ำๆ ซ, ำกซำากๆฉากการกินเลี้ยงฉากการเต้นรำทุกครั้งทุกคราวว่าไม่มีตกมีหล่นเลยโดยเฉพาะตอนที่เกี่ยวกับสตรีเพศช่างเป็นเจ้ากี้เจ้าการจดจำเสียจริงๆพรรณนาตั้งแต่ศีษะถึงเท้าของสตรีแทบทุกคนที่ได้พบเห็นจนน่าราคาญ ที่ทำให้สงสัยก็มีคือตอนหนึ่งท่านผู้แต่งกล่าวถึงว่าตนกำลังเดินค้นหาบ้านของคนคนหนึ่งขณะที่กำลังเดินหาอยู่นั้นได้พบสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินสวนทางมาท่านได้ถามสุภาพสตรีผู้นั้นถึงบ้านของผู้ที่ท่านต้องการและสุภาพสตรีผู้นั้นก็ได้ตอบว่าไม่ทราบแล้วก็เดินเสร็จสิ้นกันไปแต่ในเรื่องนั้น ท่านพนานาอย่างให้เห็นจริงเห็นจังกับสุภาพสตรีคนนี้เกือบหนึ่งหน้ากระดาษผมสีนั้นตาสีนั้นอายุประมาณเท่านั้นเขาหน้าเป็นอย่างนั้นเสื้อผ้าสีอย่างนั้นบอกไว้หมดจนกระทั่งชื่อของสุภาพสตรีผู้นั้นก็บอกไว้ด้วยไม่รู้ว่าเจอกันแพลบเดียวจะไปถามชื่อของเขาได้อย่างไรปัจบันนี้ท่านผู้ฟังพอจะวินิจฉัยได้แล้วว่า ท่านผู้แต่งหนังสือทั้งสองนี้ใครมีจริตชนิดไหนจริตเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะอาจวาดวิถีชีวิตของบุคคลให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายเสียคนเราแม้บางทีจะพยายามปกปิดมิตรเมียนจริตของตนไว้แสดงกิริยาอาการเสมือนว่าตนมีจริตอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าดัจริต ก็คงไม่พ้นการสังเกตของท่านผู้รู้ไปได้เพราะการกระทําย่อมจะพลังเข้าหาจริตเดิมของตนจนได้เรื่องจริตจึงไม่ใช่จะเพียงแต่เรียนรู้หรือฟังกันเล่นสนุกๆเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต้องแก้ท่านอยากให้บุตรธิดาและคนในปกครองของท่านมีจริตอย่างไหนในหกอย่างนี้ท่านจะต้องคำนึงถึงมูลเหตุ ให้เกิดจริตสองอย่างคือการอบรมหนึ่งการเสพคุ้นหนึ่งคือจะต้องให้เขาได้รับการอบรมจากสิ่งแวดล้อมและให้มีการเสพคุ้นกับอารมณ์ชนิดที่ท่านปรารถนานั้นเสมอสิ่งใดไม่ดีไม่งามและไม่อยากให้เขาเป็นเช่นนั้นก็จะต้องพยายามกีดกันอย่าให้เขาได้พบได้เห็นหรือได้ยึดเอามาเป็นอารมณ์เพราะจะทำให้จิตเกิดความเคยชิน แม้เด็กๆที่ผู้ปกครองพาเข้าออกในเรือนจำบ่อยๆหรือได้รู้จักพบเห็นกับนักโทษที่อยู่ในเครื่องพนันาการบ่อยๆจิตของเด็กนั้นก็จะสามลงได้นานเข้าเขาจะเห็นการเป็นนักโทษเป็นของธรรมดาไม่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเลยประโยชน์แห่งการศึกษาจริตการศึกษาเรื่องจริตมิใช่จอยุติอยู่เพียงการเรียนรู้ตามตำราเท่านั้น แต่หากเป็นงานที่เราควรจะกระทำคืบหน้าต่อไปถึงขั้นสังเกตข้อเท็จจริงด้วยตนเองและใช้ผลแห่งการสังเกตนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและธุรกิจของเราเริ่มต้นท่านควรจะสังเกตตัวท่านเองก่อนว่าว่าท่านมีจริตอะไรเป็นเจ้าเรือนขั้นที่สองท่านควรจะหัดสังเกตคนอื่นซึ่งจะเริ่มแต่คู่ครองของท่านบุตรธิดา คนใช้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนทุกคนที่ท่านได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กกระเป๋ารถเมลหรือกรรมกรท่านจะรู้สึกว่าการสังเกตจริตเป็นงานที่สนุกและไม่ใช่สนุกเปล่าๆได้ประโยชน์ด้วยคนที่ฉล า, าดในเรื่องจิตจะเป็นผู้มีสมรรถภาพพิเศษในเรื่องต่างๆเช่น 1. การครองใจคนอาทิ สามีครองใจภรรยาภรรยาครองใจสามีผู้ใหญ่ครองใจผู้น้อยผู้น้อยครองใจผู้ใหญ่มิตรครองใจมิตรเหล่านี้เป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงจริตของเขาให้มากและรู้จกักโอนอ่อนผ่อนตามพราะบ้านบางคนชอบเขี่ยวเข็นเอากับแม่บ้านจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้ได้อย่างนี้ครั้นไม่ได้ก็ขัดใจ ถึงกับทะเลาะกันก็มีเช่นพัวบ้านเป็นคนราคะจริตอยากจะจัดห้องรับแขกและสิ่งของในบ้านให้เป็นระเบียบสวยงามอยู่เสมอแต่แม่บ้านเป็นคนโทสะจริตทำอย่างนั้นให้ไม่ได้เสมอไปก็ขัดใจหรือพัะบ้านเป็นคนโทสะจริตทำอะไรรวดเร็วใจร้อนแต่แม่บ้านเป็นคนราคะจริตพิถีพิถันกับความสวยงามกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละที ต้องแต่งตัวตั้งเกือบชั่วโมงฝ่ายพ่อบ้านต้องรอคอยด้วยจิตใจอันงุ่นง่านนี่เป็นเรื่องของการไม่รู้จริตของกันและไม่รู้จกักโอนอ่อนผ่อนตามจึงเกิดความขัดใจงุ่นง่านแต่ถ้ารู้จริตของกันเสร็จแล้วการให้อภัยก็จะเกิดขึ้นจิตใจก็สบายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรักด้วย ผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามจริตของเขาบ้างแทนที่จะเกณฑ์ให้ได้ตามใจตนฝ่ายเดียวจะได้ทั้งงานและความครบรักพักดีจากผู้น้อยอย่างเกินคาดแม้ผู้น้อยจะครองใจผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จริตของผู้ใหญ่และเข้าใจโอนอ่อนผ่อนตามจึงจะเป็นผลดีการโอนอ่อนผ่อนตามจริตที่ว่านี้ไม่ใช่การประจบสอบพลอ แต่เป็นการฟอร์มสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับจริตของผู้อื่นด้วยความฉลาดของตนโดยไม่ให้เสียหายเก่งานเลยแม้การลงโทษผู้น้อยก็ต้องให้ควรแก่จริตจึงจะได้ผลคือให้เขากลับตัวได้เช่นคนราคะจริตการลงโทษเพียงแต่ให้ได้รับความอับอายเท่านั้นเขาก็จะรู้สึกขิดหลาบพอดูแล้ว 2. การมอบงาน ตามธรรมดาคนเราถ้าได้ทํางานเหมาะกับจริตย่อมรู้สึกสนุกกับงานลืมเหนื่อยลืมหิวเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่หมอบงานให้ผู้น้อยให้เหมาะสมกับจริตของผู้รับย่อมได้ผลดีกว่ามอบงานโดยไม่คํานึงถึงจริตของเขาเพราะถ้าเขาได้งานที่เหมาะกับจริตความรักงานในวงเล็บฉันทะจะเกิดขึ้นในจิตของเขาเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วความภาคเพียรในวงเล็บ วิริยะความใส่ใจในวงเล็บจิตตะและความพินิษฐพิเคราะห์ในวงเล็บวิมังษาย่อมจะเกิดขึ้นเองทําให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปโดยเร็วและได้ผลดีเกินคาดประกาศสาคัญนอกจากท่านจะได้งานแล้วท่านจะได้ความรักจากผู้ที่ทํางานนั้นอีกด้วยพูดง่ายๆคือได้ทั้งงานได้ทั้งคนข้าพเจ้าเคยเห็นคนราคะจริตคนหนึ่งเป็นนายทหาร แสดงความภูมิใจของตอนเองให้ข้าพเจ้าฟังอย่างซ้ำๆซักๆในการที่ครั้งหนึ่งท่านผู้บัญชาการกองพลมอบให้เขาเป็นหัวหน้ากองตบแต่งสถานที่ในงานเรื่องเริงอย่างหนึ่งในทานองว่าท่านผู้บัญชาการได้เมตตากรุณาเขามากทีเดียวที่ได้มอบงานนี้ให้เขาทำซึ่งความจริงเขาได้รับความเหน็ดเหนื่อยกับงานนั้นมากแต่เขาไม่คานึงถึงกลับรักผู้ใช้ให้ทางานเสียอีก การมอบงานเหมาะกับจริตของผู้ทำได้ผลอย่างนี้แต่การมอบงานโดยไม่คำนึงถึงจริตของผู้ทำจะได้ผลลดหย่อนลงจากที่กล่าวแล้วบางทีได้งานแต่เสียคนบางทีได้คนแต่เสียงาน 3. การอบรมสั่งสอนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริตอยู่มากเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสบความสำเร็จอย่างใหญ่ยิ่งในการอบรมสั่งสอนเวเนยสัตว์ ทรงสามารถทําให้ผู้รับการอบรมสั่งสอนได้บรรลุมรคผลด้วยพระโอวาทเพียงสั้นๆเป็นที่น่าอัศจรรย์ครั้งนี้ก็เพราะพระองค์มีพระปีชายานอันวิเศษสามารถอย่างรู้จริตของผู้ที่พระองค์จะทําการอบรมสั่งสอนแล้วทรงยักย้ายพระธรรมเทศนาให้เหมาะสมกับจริตของผู้นั้นข้อนี้ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การแสดงธรรมะของพระองค์บังเกิดผลอย่างเกินคาดและวิธีดังกล่าวนี้ก็เป็นวิธีการอันสำคัญยิ่งในการบอกกรรมฐานของพระอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานทั้งในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และสมัยต่อมาแม้ในการอบรมสั่งสอนซึ่งเรากระทํากันอยู่ทั่วไปเช่นมารดาบิดาอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ครูอบรมสั่งสอนสิทธิ์และผู้บังคับบัญชาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้ถ้าผู้ให้การอบรมสั่งสอนได้คำนึงถึงจริตของผู้รับอบรมและรู้จักปรุงวิธีให้เหมาะสมก็จะบังเกิดผลดีเป็นพิเศษยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งเวลาพูดชอบเลิกคิวซึ่งเป็นมารยาทที่ผู้ใหญ่ถือกันว่าไม่ดี ถ้าท่านจะอบรมหรือสอนให้เขาเลิกพฤติกรรมเช่นนั้นท่านจะพูดว่าอย่างไรทางที่ดีท่านจะต้องสังเกตดูว่าคนคนนั้นเป็นคนจริตอะไรรู้จริตของเขาแล้วจึงพูดให้เหมาะสมกับจริตนั้นคือถ้าเป็นคนราคะจริตท่านก็ควรพูดในทำนองว่าคุณเป็นคนหน้าตาหมดจดดีถ้าไม่เลิกคิ้วเสียได้ก็จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักไม่ใช่น้อย แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนโทสะจริตท่านก็ควรจะปรุงคําพูดเสียใหม่ในทํานองว่าคุณเป็นคนมีท่าทางสง่าดีถ้าไม่เลิกคิ้วเสียก็จะเพิ่มลักษณะเด็ดขาดไม่ใช่น้อยทีเดียวด้วยการปรุงคําพูดเพียงเท่านี้จะทําให้จริตของผู้รับอบรมช่ำชื่นเบิกบานและน้อมรับคําอบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจ ทั้งจะรู้สึกขอบคุณผู้ให้การอบรมสั่งสอนด้วยเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมาเป็นเวลานานรู้สึกว่าการอบรมซึ่งกระทําเป็นส่วนรวม <c oughs> เช่นอบรมทหารครั้งละ 400-500 ถึงคนได้ผลน้อยกว่าการอบรมเป็นรายบุคคลหรือการอบรมเป็นส่วนย่อยๆเพราะการอบรมส่วนย่อยเราสามารถทำการอบรมให้เหมาะกับจริตได้ดังกล่าวแล้ว 4. การติดต่อคือการเจราจาเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆการโฆษณาการขอความช่วยเหลือการขอความร่วมมือตั้งแต่ ง, งานส่วนน้อยจนถึงงานส่วนใหญ่ถ้าผููเจราจาฉล า, าดในเรื่องจริตของผู้ที่ตนติดต่อด้วยแล้วดําเนินวิธีการเจราจาให้คล้อยไปตามจริตของเขาการเจราจาก็จะบังเกิดผลดีเป็นพิเศษในกรณีสําคัญ ถ้าเราจะต้องส่งคนไปเจราจาเช่นการส่งทูตไปเจราจาการเมืองเราก็จะต้องพยายามศึกษาดูก่อนว่าผู้ที่เราจะเจราจาด้วยนั้นมีจริตอย่างไรแล้วเลือกเฟ้นหาคนที่มีจริตสอดคล้องกันส่งไปเป็นทูตการเจราจาจึงจะได้ผลมากม่ใช่แต่การเจราจาขอร้องเท่านั้นที่เราจะต้องอาศัยการสังเกตจริตเข้าประกอบด้วย แม้ในเชิงการต่อสู้เราก็จะต้องคำนึงถึงจริตของฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกันนักโต ว, วาทีที่เป็นคนราคะจริตพอถูกฝ่ายตรงข้ามพูดให้ได้อายก็หมดท่าและโดยวิธีเดียวกันนักเล่นหมากรุกที่เป็นคนโทสะจริตพอถูกฝ่ายตรงข้ามยุให้โกรธก็เสียหลักคนโมหจริตพอถูกใครใช้ลิ้นลวงให้เคลิบเคลิ้ม ก็จะกลายเป็นคนไม่มีจิตใจเป็นของตัวเองข้าพเจ้ารู้สึกว่าการศึกษาเรื่องจริตเป็นงานที่มีประโยชน์มากไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอย่างไรผู้บังคับบัญชาควรจะต้องรู้จริตของผู้ใต้บังคับบัญชาครูควรจะรู้จริตของนักเรียนในชั้นหมอควรจะรู้จริตของคนไข้ของตนพ่อค้าก็ควรจะรู้จริตของลูกค้านักธุรกิจควรจะรู้จริตของผู้ที่ตนจะติดต่อและอื่นๆ เพราะการรู้จริตแล้วรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามย่อมช่วยให้บังเกิดความสำเร็จขึ้นแก่งงานนั้นๆไม่ใช่น้อยเลยวิธีสังเกตจริตขปเจ้าได้บรรยายถึงประโยชน์ของการสังเกตจริตมาพอสมควรแล้วคงจะทําให้ท่านผู้ฟังหลายท่านนึกถามอยู่ในใจว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีจริตอย่างไหน ซึ่งเป็นคำถามที่ข้าพเจ้าจะได้ตอบให้ทราบในลำดับต่อไปนี้การสังเกตจริตนั้นคำพีวิสุทธิมักแสดงหลักสังเกตไว้ห้าอย่างเป็นคาถาดังนี้อิริยาปัทโตกิจจาโภชนาดัศนาดิโตธรรมปรวัตติโตเจวะจะริยาโยวิภาวเยแปลว่าปัญดิพึงทราบจริยา ในวงเล็บจริตทั้งหลายจาก 1. ยอุริยาบท 2. การทำงาน 3. การกิน 4. การดูและห้าทำที่เขาประพฤติในที่มาแห่งเดียวกันนี้ท่านได้พนันนาวิธีสังเกตจริตตามหลักทั้งห้านี้ไว้อย่างละเอียดแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ทั้งหมดเกรงจะเกิดความฟั่นเฟือแก่ท่านผู้ฟัง จึงขอเก็บใจความมาบรรยายพอเป็นทางพิจารณาดังนี้